ตอนนี้กำลังบรรยายพระสูตรชื่อว่า ช, ชกกะชะกสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะหมวดละห6หกหมวดจากคำพีมัชฌิมนิกายอุปริปันธาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงธรรมะหมวดละ6จจำนวน6หมวดก็คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอกห วิญญาณหกัตตะหเวทนาหและตันหาหซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมะที่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นอนัตตานั่นเองพระองค์สรุปว่าทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนั้นธรรมะทั้ง3 6ประการคือธรรมะหมวดละหกหหมวดนั้นเป็นอนัตตานะพูดอนัตตาอนัตตามาทุกคำนี่ยสรุปโดย บอกเหตุผลให้ด้วยว่าถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วใครไปพูดอย่างนั้นก็เป็นการพูดที่ผิดเพราะว่าการเกิดแล้วก็การดับของสิ่งเหล่านั้นยังปรากฏอยู่จะไปบอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเป็นตัวเรา เ, เป็นของเรามันก็ขัดกันเองนะซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกพุทตชนทั้งหลายเขาก็ เป็นเช่นนั้นกันโดยส่วนมากไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นก็ปรากฏความไม่แน่ไม่นอนปรากฏความไม่เที่ยงปรากฏความเป็นทุกข์ปรากฏการบังคับควบคุมไม่ได้ให้เขาเห็นอยู่แล้วแต่เขาก็พูดแบบขัดแย้งกันเองขัดแย้งในตัวเองนะครับแต่ว่าพวกบ้าดยกันก็พอได้นะ่ก็ว่ากันไป เหมือนเราพูดบอกว่าเออสามีของเราตายแล้วอย่างเนี้ยทํานองนี้มันพวกบ้าด้วยกันมันก็พูดกันรู้เรื่องใช่ไหมถ้าสามีของเรามันจะตายไหมสามีของเรานี่ยถ้ามันเป็นของเรามันคงไม่ตายหรอกใช่ไหมไม่ต้องไม่จากเราเพราะว่ามันเป็นของเราเนี่ยแต่เวลาเราพูดแหมสามีของเราตายแล้วอย่างเนี้ยถ้าพวกบ้าด้วยกันก็พอได้พอได้แต่ถ้าโดยความจริงก็ต้องบอกว่า สามีที่ไม่ใช่ของเรานั้นตายแล้วมันต้องยตต้องถูกอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้อ้าวของเราของเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นเที่ยงแท้ถาวรนะก็เหมือนกับเราพูดขึ้นมาแบบประโยคประโยคที่บอกว่าแม้ของไม่เที่ยงของเที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็งงกันไปงงกันมาของเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิมันก็ต้องเป็นของเราเราควบคุมได้เป็นตัวเป็นตน นี่จะบอกว่าของเราตายแล้วของเราจากเราไปมันก็เป็นบ้าตอนนั้นนหะของเรามันก็ต้องไม่จากเราแม่สามีของเราจากเราไปเอ้าก็จากเราไปแสดงว่าไม่ใช่ของเราสิมันก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเห็นไหมคาหน้ากับคาหลังมันไม่ตรงกันแล้วของเราแต่จากเราไปเอ้าเป็นบ้ายังไงของเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิจึงจะเรียกว่าของเรานะที่จากเราไปก็ ความจริงของมันก็คือว่าเออของที่ไม่ใช่ของเราจากเราไปแล้วของที่ต้องตายเป็นธรรมดาตายแล้วของที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่เที่ยงไปแล้วของที่บังคับควบคุมไม่ได้บังคับควบคุมไม่ได้แล้วอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จึงจะถูกใช่ไ้ย อ, อ่าทนองนี้นะเป็นยังไงบ้างท่านทั้งหลายเป็นบ้ากันพอหรือยังก็ไม่รู้นะ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกพวกวิปลาสพวกเพี้ยนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกท่านไม่ขัดกับพวกชาวโลกอยู่แล้วแหละท่านไม่ว่าอนะไรหรอกแต่พวกชาวโลกอาจจะรู้สึกขัดใจท่านว้างนะอย่างนี้เราก็ลองไปสํารวจดูคําพูดอะไรของเรานะเห็นไหมที่ท่านบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะก็แสดงว่าพูดว่าอัตตาของเรามันเกิดมันดับสิสามีของเราจากเราไปเอ อ้าถ้าของเรามันก็ต้องอยู่กับเรานี่มันจากเราไปทำไมมันก็ขัดกันเองอยู่เห็นไหมออทานองนี้นะครับนะคาว่าเราเราก็หมายถึงสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรบังคับควบคุมได้ซึ่งในความรู้สึกอย่างนั้นเวลาที่เราใช้คาว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละใช่ั้ยของเรานี่ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นของเราแต่ดันจากเราไปอันนี้เห็นหมมันกลับข้างกันแล้วถ้าเป็นของเราจริงๆมันก็ ต้องอยู่กับเราเราต้องควบคุมได้ต้องให้มันเที่ยงแท้ถาวรเป็นประโยชน์แกเราตลอดไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามันจากเราไปนี่พูดอย่างนี้จึงถูกใช่อ่มสามีที่ไม่ใช่ของเราจากเราไปแล้วเขาที่มีอันต้องตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วไม่ใช่ว่าแมมเขาไม่น่าจะตายเลย เขาไม่สมควรตายตายแล้วเอา้าไม่สมควรตายตายแล้วเฮ้ยมันยังไงเป็นบ้าไปแล้วเห็นไหมนะแต่ว่าเวลาคุยกันนี่แหมสมงชงเฉงทีเดียวนะหาเหตุผลนั่นเหตุผลนี่ดูเข้าท่าทีเดียวการพูดให้ถูกต้องพูดว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วสมควรตายนี้มันตายไปแล้วนี่อย่างนี้จึงถูกเพราะว่าเกิดมาแล้วมันสมควรตายทุกคนนะ่ะถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดมานะ ก็เกิดมาแล้วก็สมควรตายคนที่สมควรตายตายแล้วนี่อย่างนี้เข้าใจไหมนะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาเขาเรานี่พวกนี้มันรู้สึกตัวเองคงทนเที่ยงไม่น่าตายนี่ไม่น่าตายตายแล้วเป็นยังไงงงไหมงงมากแล้วแต่เรานะ ขอให้มันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างคำพูดเฉยๆนะเราก็ไปสำรวจดูก็แล้วกันคำพูดในชีวิตเรานะมันก็ออกมาจากสักกายะคือความเห็นที่ว่ามีตัวมี ต, มตนมีความยึดถืออยู่แล้วคำหน้ากับคำหลังมันจะขัดกันนะมันขัดกันมากมายเหลือเกินที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเห็นไมทั้งนั้นเอา้าความเกิดและความดับมัน ปรากฏอยู่ทั้งนั้นจะบอกว่าของเที่ยงมันเกิดดับเอา้าอย่างนี้ก็แย่เต็มทีนะของเราแต่เกิดดับเนี่ยของเราจากเราไปแล้วของควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เอา้ากลายเป็นอย่างนั้นไปซะอีกลำบากน่าดูเหมือนกันนะเห็นไหมมันขัดกันเองฉะนั้นคำพูดที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเรานี้พระพุทธเจ้าก็สรุปให้เลยว่าคำพูดนั้นไม่ถูกต้องคือไม่สมเหตุสมผลนั่นเอง คำหน้ากับคำหลังมันไม่ตรงกันถ้ามันตรงกันมันก็ต้องถูกต้องคือไม่ใช่ตัวตนของที่ไม่ใช่ของเราก็จากเราไปแล้วเนี่ยพูดถูกไหมเออไม่ใช่ของเราก็จากเราไปก็ถูกแล้วเนาะต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็ไม่เที่ยงแล้วควบคุมไม่ได้เป็นธรรมดาก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ถูกต้องตรงไปตรงมาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้นี่คืออนัตตาเนี่ยเห็นไหมถูกต้องตรงตามความเป็นจริง าอ่านตาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลับข้างเที่ยงคงทนถาวรควบคุมได้เป็นผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เขาเนี่ยซึ่งมันขัดกับความจริงอยู่พอเข้าใจไหมนะทานองนี้นะครับทีนี้ในเมื่อธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วทำไมเราทั้งหลายจึงเกิดความรู้สึกว่า เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาได้พระองค์ก็บอกเหตุผลหรือว่าที่ไปที่มาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนขึ้นมาในภาษาบาลีเรียกว่าสักกายสมุทยะคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทาให้เกิดสักกายความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีตัวเรามีของเราขึ้นทาไมจึงเกิดอันนี้ขึ้นมา ปฏิบัติยังไงจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็คือไปตามเห็นตามเห็นรูปตามเห็นสิ่งต่างๆเวทนาตัณหาหูเสียงจนกระทั่งถึงใจธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราการตามเห็นอย่างนี้อาจจะฟังคนอื่นมาก็ตามแล้วก็ไปดูตามเขา คิดนึกเอาเองก็ตามเรียนมาก็ตามอะไรก็ตามเชื่อคนอื่นก็ตามแล้วก็ไปตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆเป็นไงมันก็เกิดความยึดถือขึ้นมาว่าเราว่าของเราขึ้นมาอันเนี้ยตัวความยึดถือว่าเราว่าของเราท่านเรียกว่าสักกายะนะครับอันนี้ความของบาลีข้อ424ต่อไปในข้อ424นั้นเองท่านก็จะพูดในทางตรงกันข้ามด้วย คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้สักกายะนั้นมันดับสนิทไปทำให้ความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนั้นมันหมดไปได้ปฏิบัติยังไงก็ตรงกันข้ามนั่นเองนะตอนแรกเกิดความรู้สึกว่ามีเรามีของเราขึ้นมาเพราะว่าไปตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราวิธีการที่จะดับสนิทสักกายะทาให้ความเห็นผิดมันหมดไป ทำให้ความยึดถือมันหมดไปก็คือต้องตามเห็นมันว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนะไม่ใช่ของเรานะเป็นอย่างนั้นเป็นของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ได้เป็นนั่นนะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นอันนั้นนะ นั่นไม่ใช่อัตราตัวตนของเราเราบังคับควบคุมอะไรมันไม่ได้นะต้องตามเห็นหนึ่งนี้บ่อยๆพวกสักกายะมันก็จะดับสลายไปได้เป็นสักกายะนิโรธะนะครับหนทางที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของสักกายะท่านเรียกว่าสักกายะนิโรทคามินีปฏิปทาซึ่งก็ตรงกันข้ามกับสกกายะสมุทัยนะ ในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่ห้านะครับอ่านพร้อมกันนะอยังโขปันภิกขเวสักกายนิโรทะคามินีปฏิบดาจักขุงเนตังมะมะเนโสหมัสมิณนะเมโสอัตตาติสมนุปัสติรูเปเนตังมะมะ เนโหมัสสมินาเมโศอัตตาตินาสัมมนุปัสสติจากขุงวิญญาณังเนตังมะมะเนโหมัสสมินาเมโศอัตตาติสัมมนุปัสสติจากขุสัมผัสสังเนตังมะมะเนโหมัสสมิ นาเมโสอัตตาติสมนุปัสติเวเดนังเนตังม a มะเนโสห a มัสสมินาเมโสอัตตาติสมนุปัสติตันหังเนตังม a มะเนโสหามัสสมิน a เมโสอัตตาติสมนุปัสติ โสตังเนตังมะมะคาังเนตังมมะิวหังเนตังมะมะกายังเนตังมมะมะนังเนตังมมะเนโสหมัสสมินาเมโสอัตตาติสามนุปัสติธรรมเมเนตังมะมะ เนโซหามัสสมินาเมโซอัตตาติสามนุปัสติโนวิญญาณังเนตังม a มะเนโซหามัสสมินาเมโซอัตตาติสามนุปัสติโนสัมผัสสังเนตังมะมะเนโซหามัสสมินาเมโซอัตตาติ สมนุปัสติเวเดนังเนตังมะมะเนโสหมัสสมินาะเมโสอัตตาติสมนุปัสสติตันหังเนตังมะมะเนโสหมัสสมินาะเมโสอัตตาติสมนุปัสสตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึง ความดับสนิทของสักกายะคือความเห็นผิดและความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราสักกายนิโรธคามินีปฏิปทานะไม่เหมือนกับตอนแรกนะตอนแรกเป็นสักกายะสมุทยะคามินีปฏิปทานะอันแรกนี้ไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมเพราะว่าทำกันมาตั้งแต่เด็กแล้วมีแต่คนสอนเราเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย นี่ของเธอนะนั่นของเธอนะเธอเป็นนั่นนะเธอเป็นนั่นนี้นะเป็นลูกของคนนั้นเป็นหลานคนนี้แหมหลายเป็นเหลือเกินนะนะโอ้เยอะแยะนะเรียนนั่นแล้วจะได้เป็นนี่เรียนนี่แล้วจะได้เป็นนั่นฉะั้นอันแรกขั้งแรกนี้คงจะเยอะกันทุกคนแล้วนะฉะนั้นมาเรียนธรรมะก็จะมาเพิ่มให้มันมากก็แล้วกันบางคนมาเรียนธรรมะยังเพิ่มขึ้นมาอีกนะในนี้ก็ลําบากนะดูเหมือนกันนะเรียนผิดนะอย่างนั้นนะ นะครับถ้าจะมาทำก็มาทำอันที่2ะว่าสักกายะเรามีเยอะแล้วนะครับข้างที่2ก็เป็นอะยังโขปณะภิกเวสักกายะนิโรธะคามินีปฏิปนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงสักกายะนิโรธะนิโรธะคือความดับสนิทไม่มีเกิดอีกไม่มีเกิดก็ไม่มีจะให้ดับแล้ว ถ้ามันมยังมีเกิดอยู่เรื่อยก็แสดงว่ามันยังไม่ดับไม่ดับสนิทไปยังไม่นิโรธะเราฝึกฝนเพื่อให้มันถึงนิโรธะคือมันไม่เกิดสักกายะไม่เกิดนะไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยสักกายะก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเราทั้งหลายคงเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยกระทบอารมณ์บ้างเจอคนว่าบ้างเจออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็ ตัวเราโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยของเราก็โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยอันนี้ส ก, กายะมันโผล่ขึ้นทีนี้การฝึกฝนชนิดที่จะทำให้สักกายะมันหมดสนิท ด, ดับไปเลยไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยดับสนิทที่ภาษาธรรมะตั้งเรียกว่าเป็นสมุดเชตอันนี้ก็มีปฏิปทามีข้อปฏิบัติอยู่เรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึง ความดับสนิทของสักกายะคือยังไงจกขุงเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตตาติสมนุปัสติคือให้ตามเห็นจักสุว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราตามเห็นดวงตาเนี่ยตาเป็นตานะไม่ใช่ของเรานะตานะเราไม่ได้เป็นดวงตา นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานะมันเป็นของเกิดดับเป็นของที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปสั่งมันได้เนี่ยต้องตามเห็นมันเป็นอย่างนี้นะรูปเณตังมมะเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นรูปทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา รูปสิ่งที่มองเห็นทางตานะนั่นไม่ใช่ของเรานะถ้าเห็นด้วยปัญญาก็ดีไปถ้ายังไม่เห็นก็ต้องรู้จักใส่ใจให้มันถูกมองหน้าตัวเองในกระจกเป็นไงเจอรูปแล้วนั่นของเราไหมต้องไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่ของเรานะต้องเตือนตนเองไว้มองให้ถูกแง่ถูกมุมไว้ยังไม่เป็นวิปัสสนาอะไรต่างๆก็ขอให้คิดหรือว่ามองโยนิโสมนสิกาให้มันถูกอย่างน้อยมันก็จะได้ไม่ยึดมาก ลดดลงไปบ้างก็ยังดีนะนะถ้าเป็นระดับวิปัสนาได้ก็ดีถ้ายังไม่ได้ก็หัดมองให้ถูกแง่ถูกมุมจะได้ไม่ยึดถือมากนักนะครับนะขอให้มองให้ถูกก็ใช้ได้จักขวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณเมโสอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นจักขวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจากักขุสัมผัสสังเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นจกักขุสัมผัสว่า ages, นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตาตาตัวตนของเราเวตนางเนตังมะมะเนโสหามสัสสมิณเมโสอัต <ข iting S 2> ตาติสมนุปัสติ ตามเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราตันหังเนตังมะมะเนโซหามัสสมิณนะเมโสอัตตาติสมนุปสติตามเห็นตันหาคือความอยากความต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราต่อไปก็ด้านทางหูนะโสตังก็ให้เห็นนั่นไม่ใช่ของเราเป็นต้นคานางังชิวหังกายังจนถึงทางใจก็ทุกๆอารมณ์นั่นแหละทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเข้าไปสัมผัสที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ตามเห็นมันตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราใจก็เป็นใจนะสบายก็เป็นใจสบายไม่ใช่เราสบายใจใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ก็ใจนะนะไม่ใช่เรานะนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา ทำเมเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะ้เมโสอัตตาติสมณุปัสสติตามเห็นธรรมะทั้งหลายคืออารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามโนวิญญาณเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะ้เมโสอัตตาติสมณุปัสสติตามเห็นมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามโนสัมผัสสังเนตังมมะเนสหอมัสสมิณเมโสอัตตาติสมนุปัสสติตามเห็นมโนสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวเดนางเนตังมมะเนสหอมัสสมิ ณเมโสอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างอนุกขมสุขบ้างว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราตันหังเ so นตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นตันหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอันนี้เป็นส ก, กายนิโรธคามินีปฏิปทานะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถ้ารู้จักวิธีแล้วก็ควรจะมาฝึกฝนทางวิธีนี้นะทางสักกายนิโรธนะครับส่วนตอนไม่รู้นี่ก็คงจะส ก, กายะสมุทยะกันเพียบทีเดียวแนหะดังนั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะก็ต้องยอมรับไปนะข้อนั้น นะโทษอะไรก็ไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้นะโทษไปก็ไม э so so so thou ่ได้อะไรขึ้นมาโทษความมืดมันก็ไม่ได้สว่างฉะนั้นโทษความมืดมันก็มืดหนักกว่าเดิมนะฉะนั้นมืดแล้วก็มืดไปแล้วก็หาความสว่างให้มันมากขึ้นก็แล้วกันนะครับก็มาฝึกฝนอีกทางหนึ่งคือสักายะนิโรทขามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะทาให้ถึง ความดับสนิทของสักกายะนี่ซึ่งวิธีการนี่ดูเหมือนไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ั้ยให้ตามดูว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราตัวตนของเรานี่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่ของเรานะเป็นของธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไปบีบมันนะไม่ใช่อัตราตัวตนที่จะไปบีบมันได้เหตุปัจจัยบีบให้มันเป็นอย่างนี้ คนนี้ดีไม่ดีก็เป็นไปตามกรรมของเขานะนาฟังดูง่ายไหมฟังดูง่ายเหมือนกันนะนลองไปทำดูก็แล้วกันว่าจะง่ายหรือยากนะนะนะครับอันนี้ก็เป็นสักกายะสมุทัยคามมนีปฏิปทาทางหนึ่งกับสักกายะนิโรธคามมนีปฏิปทาทางหนึ่งเป็นบาลีข็อ 424ต่อไปบาลีข้อ425พระองค์ก็จะตรัสถึงการกระทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันว่าแบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้การจะกระทำที่สุดแห่งทุกเราก็กระทำกันแบบเห็นเห็นทำได้ทำไม่ได้ก็แบบเห็นเห็นไม่ต้องรออาจารย์รับรองหรือว่าไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้รับรอง ชา น, นเรื่องการสิ้นทุกข์อะไรต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกได้ด้วยตนเองเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่เป็นของฝุ่นฝุ่นโผล่โผลหรือว่าต้องให้ใครมารับรองให้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็จะบอกวิธีว่าแบบไหนกระทําที่สุดแห่งทุก์ไม่ได้แบบไหนกระทําที่สุดแห่งทุกขได้ในปัจจุบัน คือแบบเห็นเห็นกันแบบต่อหน้าต่อตาแบบขณะขณะเลยแบบนี้เรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แบบนี้เรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แบบเห็นเห็นกันไม่ต้องอาศัยความเชื่อไม่ต้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเอาแบบเห็นเห็นเลยแบบเห็นเห็นนั่นเรียกว่าแบบทิฏฐธรรมคือแบบตาเห็นเลยนะแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําไม่ได้ก็แบบเห็นเห็นนะ เราเรียนไปแล้วก็จะได้ไปพิสูจน์ตนเองว่ามันกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือไม่ได้พระองค์ก็จะบอกให้นะครับในข้อ425นะครับซึ่งถ้าเราศึกษาในพระพุทธพจน์หรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเหมือนกับที่พระองค์บอกเอาไว้ก็คือบอกว่าดูก่อนอานน์พวกเธอจะมาหวังอะไรในตถาคตผู้แก่ๆอย่างนี้เล่านะ ตถาคตนี้เหมือนเกวียนแก่ข้ามคลาแล้วก็สักหน่อยก็จะหักไปแล้วเราแสดงธรรมะนี้ไม่มีกรรมมือของอาจารย์คือไม่มีนอกไม่มีในไม่มีปิดบังอะไรเห็นไหมเราเรียนแล้วเราเห็นเห็นกันเลยว่าอ้อนี่พระองค์แบะให้ดูเลยเราทําได้ไม่ได้นี่กันเห็ น, เ ห, นเห็นกันเลยต่อหน้าต่อ ต, อตากันเหมือนคลาคลกับพูดกันตรงไปตรงมาทํานองนี้นะครับในบาลีข้อ4ี่ยยีนะครับอ่านไป ในหนึ่งย่อหน้านะในหน้าที่หกนะครับอ่านพร้อมกันจกขุนจะพิกเวปฏิจะรูเบจะอุปปชชติจากขุวิญญาณังติ น, นังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาอุปปัจจิตเวดยตังสุขังวาดุขังวาอะดุขมะสุขังวา โสสุขายะเวนนายะผุดโธสมาโนอาพินันติอาพิวดติอัจโชสายติทติตัดสรารานุสย อ, อนุเสติดุขายะเวนนายะผุดโธสมาโนโสจติกิละมติ ปาริเดวติอุรุรัตตาลิงคันดติสมโมหังอาปัจจติตัสปฏิคานุสโยอนุเสติอะดุกขมสุขายะเวเดนายะพุโถสมาโนตัาเวเดนายะสมุทยัญจ อจถังขมันจะอัจสาดันจะอาดีนวันจะนิสระ น, นจะยะถาภูตังนับปชานาติตัสสะอวิชานุสโยอนุเสติโสวตาภิกเวสุขายะเวน า, นายยราคานุสยัง อปปหายะดุขายะเวทนายะปะติคานุสยังอปติวิโนเดตวาอะดุขมะสุขายะเวทนายะอวิชานุสยังอะสมูหะนิตตะวาะวิชังปะอปปหายะวิชังอนุปาเดตวา ดิเถวธรรมเม่ดุขัดสันตะการโอภวิสติติเนตังฐานังวิชติ <c oughs> นะอันนี้พระองค์ก็กล่าวถึงฐานะที่ไม่สามารถจะเป็นได้ก่อนนะฐานะที่ไม่สามารถจะเป็นได้ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้การที่จะเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกแบบตาเห็นเห็นเนี่ยทำไม่ได้ ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่ได้เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมนะครับในตังฐานังวิชติก็แปลว่าฐานานี้เหตุนี้ย่อมมีไม่ได้นะก่อนหน้านั้นก็มีคำว่าดิเทวธรรมเมดุขขันตะกระโรภวิสติแปลว่าจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันในแบบเห็นเห็นตาเห็นกันเนี่ย ในแบบธรรมดาธรรมดาเห็นๆกันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรออะไรพลุกๆุกโผลโ ล, ล, ลไม่ต้องรอใครรับรองกันเนี่ยฐานะนี้มีไม่ได้เป็นไปไม่ได้นฐะานะนี้คือยังไงพระองค์ก็บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับซึ่งก็บอกเรียบร้อยแล้วก็มาสรุปเอาไว้ว่าการที่ทำเช่นนี้แล้วจะเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในทิฏฐธรรม แบบตาเห็นในชาติปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะครับคือยังไงจกัจกขุนจะภพิกขเวปติจะรูเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักสุด้วยรูปทั้งหลายด้วยจักกุวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินนังสังคติผัสโสการประจวบกันเข้าของธรรมะสามอย่างนั้น เป็นผัสสะผัสผสะปัจจญาเวผัสผสะปัจจญาอุ ป, ปัชติเวนดิตังเพราะผัสสะเป็นปัจจัยการเสวยอารมณ์ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นเวนยิตังก็คือความรู้สึกหรือว่าการเสวยอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์เมื่อผัสสะแล้วจะต้องเกิดความรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าคนเราธรรมดาทั่วไปหรือพระอรหันต์ก็ล้วนเป็นเหมือนกันพระอรหันต์นี่ตากแดดท่านก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะท่านรู้สึกเหมือนกันพระอรหันต์ไม่ใช่ต้นไม้นะนะเพียงแต่ว่าเราร้อนแล้วเราอาจจะโกรธแดดแต่พระอรหันต์ท่านร้อนแล้วท่านไม่โกรธแดดท่านก็มาเข้าร่มเหมือนกันนี่แหละแต่เราก็มาเข้าร่มเหมือนกันแต่โกรธแดดซะก่อนใช่อย่างนี้นะทานองนี้นะครับมันเป็น ธรรมดาหรือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อผัสสะผัสสะปัจจญาอุปัชติเวไดยตังเพราะผัสสะเป็นปัจจยัยการเสวยอารมณ์จึงมีขึ้นเสวยอารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์นี่เรากินอารมณ์เข้าไปคล้ายๆกับเรากินข้าวข้าวมันก็อยู่ส่วนข้าวของมันใช่ไหมเรายังไม่รู้รสของมันพอกินเข้าไปเป็นไงรู้รสอร่อยไม่อร่อยอารมณ์ก็ทำนองเดียวกันอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นของมัน อยู่ของมันอยู่ดีๆพอเราไปรับรู้เกิดพัฒะแล้วอารมณ์นั้นก็มีรสชาติกับเราน่าพอใจไม่น่าพอใจหรือเฉยเฉยทั้งทั้งที่มันก็เป็นของมันนะไม่เกี่ยวแต่พัฒะนี้มันทําให้เกิดอันนี้ขึ้นนี่พอเข้าใจไหมภาษาที่เขาแปลเขาจึางเรียกว่าสเสวย อ, อารมณ์คําว่าสเสวยนี่แปลว่ากินนั่นแหละกินหรือว่ารู้สึกกับอารมณ์ทําให้อารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจได้อย่างนี้ พอเข้าใจไหมสเสวอนี่เป็นภาษาเขาเมรเฉยเฉภาษาไทยเราก็กินนี่แหละเหมือนเราเห็นมองเห็นข้าวยังไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเราไปกินเข้าไปมันก็มันมีความรู้สึกได้อารมณ์ต่างๆ่างก็เหมือนกันตอนเรายังไม่ผัสสะกับมันยังก็ยังไม่รู้รสชาติของมันพอไปผัสสะเข้าไปแล้วมันก็มีรสชาติของอารมณ์รสชาติอันหนึ่งทาให้สบายรสชาติอีกอันหนึ่งไม่สบาย อีกอันธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าสเสวยอารมณ์หรือว่าเวทนานะครับสุขังวาทุกขังวาอัตุขมาสุขังวาคือเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเป็นอทุุขมสุขก็มีโสสุขายะเวทนายะพุทธโธสมาโนบุคคลนั้นเมื่อถูก สุขเวทนาถูกต้องเอาแล้วอภินันติย่อมเพลิดเพลินนะพอรู้สึกสบายแล้วเป็นไงรู้สึกสบายจริงๆความรู้สึกสบายนี้เป็นแค่ปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์เท่านั้นเองพระอราหันต์ท่านมาอยู่ห้องแอร์ท่านสบายไหมท่านก็รู้สึกสบายเหมือนกันนะแต่ท่านไม่เพลิดเพลินแต่บุคคลนี้พอถูกสุขเวทนาถูกต้องเข้า อภินันติย่อมเพลิดเพลินอภิวันติย่อมบ่นถึงพูดถึงมันอยากได้อีกแม้มันดีจริงๆเย็นดีจริงๆอร่อยจริงๆต้องมีคำพูดออกมานะบ่นถึงมันเป็นการพูดถึงตัวอารมณ์แล้วตอนนี้นะฉะนั้นเวลาเราเห็นของดีดีก็ดีได้ยินเสียงเพราะๆะก็ดีอะไรก็ดีนะก็มีการบ่นถึง บางคนบ่นด้วยตัวเองไม่พอมันก็โน่นแหละไปบ่นกับชาวบ้านนี่ก็หน่อยเมียเธอหนังเรื่องนี้ดีจริงๆนะเพลงนี้เพราะจริงๆนะนี่ก็บ่นหลายชั้นแล้วนะตัวเองบ่นกับตัวเองแล้วก็ยังไปบ่นกับชาวบ้านเขาด้วยเธอละครเรื่องนี้ต้องดูให้ได้นะเธอไม่งั้นเสียชาติเกิดนะเธอนะอะไรก็ว่าไปเนะนี่ยนี่เรียกว่าบ่นถึงและอภิวัตตินี่ฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็เอามาบ่นถึงกันใช่ไหมเยอะแยะมากมายนะ ทำนองนี้แหละเรียกว่าบ่นถึงทำไม่ไปบ่นถึงมันะ่ะก็เพลิดเพลินนะถูกสุขเวทนาถูกต้องเอาแล้วก็เพลิดเพลินบ่นถึงอัจโชสายหตต์ติิแล้วก็หมกติดอยู่เอาชีวิตของตนเองไปผูกเอาไว้กับสิ่งนั้นหมกติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันให้ความสุขเราได้เขาว่าอย่างนี้แต่ที่จริงเป็นแค่เขาถูกสุขเวทนากระทบเอาต่า น, นั้นเอง เลยไปคิดว่าสิ่งนั้นให้ความสุขได้แต่จริงๆมันเกี่ยวกับสิ่งนั้นไหมไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องเวทนาที่มันกระทบนะอันนั้นสักหน่อยมันให้เวทนาไม่ได้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแต่จริงๆมันเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนแรกไปดูแล้วสุขเวทนาถูกต้องเขาเขาก็มองไปที่นั่นไปติดอยู่กับอันนั้นว่าอันนั้นจะให้ความสุขเห็นไหม มันกลับข้างแล้วมันกระโดดไปนะครับนี่บุคคลนั้นถูกสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินบนถึงแล้วก็หมกติดอยู่ตัดสาราคานุสยอนุเสติราคานุสัยก็ย่อมยังอยู่กับบุคคลนั้นยังนอนเนื่องอยู่ยังมีอยู่ยังเคยชินอยู่กับบุคคล น, นั้นเหมือนเดิมนะต่อไปเมื่อเขา ไปกระทบสัมผัสหรือว่ามีสุขเวทนามากระทบอีกเขาก็จะรู้สึกชอบอย่างนี้อีกบนถึงอีกติดอยู่อีกสุขเวทนาเกิดขึ้นอีกเขาก็ติดข้องอีกบนถึงอีกเพลิดเพ ล, นเพลินอีกเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล น, นั้นราคานุสัยนะคือความเคยชินที่จะเกิดราคะแบบอัตโนมัติตามการกระทบผัสสะ ที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเราจะละไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดความรู้สึกสบายปั๊บมันจะรู้สึกชอบทันทีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะของความเคยชินของกิเลสที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างถ้าเราไม่ได้ฝึกนี่นะอารมณ์ฝ่ายดีมาเราจะรู้สึกชอบทุกทีสบายใจทุกทีคนพูดเพราะสบายใจมสบายใจ พูดจริงหรือปลอมไม่ถามขอให้พูดเพราะก็แล้วกันนีมันไปก่อนแล้วไงไอราคานุใสมันชอบทางเนี้ยนีมันชอบอากาศดีไว้ก่อนเห็นจริงไม่จริงไม่รู้อ่าดีไว้ก่อนอาหารอร่อยไว้ก่อนมันชอบอันนี้เรียกว่าราคานุใสอนุใสคือกิเลส ช, ชนิดที่ยังละไม่ได้แล้วมันเป็นความเคยชินที่เป็นไปตามเวทนา ราคานุใสอนุเสติก็ย่อมนอนเนื่องคําว่านอนเนื่องก็คือยังละไม่ได้ก็ยังมีอยู่กับคนนั้นไปเรื่อยๆเป็นความเคยชินฉะนั้นความเคยชินของเขาอย่างนี้นะต่อไปถ้าสุขเวทนาถูกต้องเขาอีกเขาก็จะเพลิดเพลินบ่นถึงติดอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเรื่อยเหมือนเดิมไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าราคานุใสยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นนะครับ ต่อไปก็อีกเวทนาหนึ่งนุกขายะเวทนายะผุดโถสมาโนเขาถูกทุกขเวทนาถูกต้องเอาแล้วเวทนาชนิดที่ทนได้ยากนะก็ถูกต้องเอาซึ่งแท้จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมีสุขบ้างมีทุกบ้างอุกกมสุขบ้างอันนี้เป็นแค่เรื่องธรรมชาติเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์เท่านั้นเองแต่บางเวทนามันทนยาก เขาเมื่อถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วโสจติย่อมเศร้าโศกกิลมติย่อมลำบากปริเดวติย่อมคร่ำครวญอุรัตาลิงกันดันติย่อมร่ำร้องตีอกชกตัวสัมโมหังอาปัจชติย่อมถึงความหลงโดยรอบน่ะ เวลาถูกทุกขเวทนาถูกต้องเอาแล้วเวทนาชนิดที่ทนได้ยากทนลำบากการที่มันทนยากทนลำบากไม่ใช่ความผิดของเวทนานะเป็นธรรมชาติของเวทนาเราอยู่อากาศร้อนอากาศร้อนมันทนยากใช่ไหมถูกแล้วเป็นธรรมชาติของเวทนานั้นความทุกข์นี่มันทนยากนะโอ๊ยมันทนยากเหลือเกินการที่มันทนยากนี้ไม่ใช่ความผิดของมันนะเป็นธรรมชาติของมันนะ terrifying. แต่เรานี้พอเจอทนยากแล้วเป็นไงอันนี้โศจติเศร้าโศกแหละเครียดแห ล, ละกิรามะติลําบากรู้สึกลําบากมากกับการผ่านเรื่องนี้ไปลําบากไหมลําบากมากการที่จะผ่านเรื่องนี้ไปเอ๊ะทําไมสุขทําไมมันไม่ลําบากตอนจะผ่านมันไปฮะทั้งๆัที่เกิดดับเหมือนกันนะมันอนุสัยคนละตัวกันเห็นไหมตอนทุกแล้วผ่านยากเหลือเกิน ตอนสูงแล้ผ่านง่ายๆ่ามันไม่มีอะไรมันเท่ากันนะตามธรรมชาติของมันเนี่ยกิลมติลำบากปริเดวติคร่ำครวญ น, นะก็คร่ำครวนนะคร่ำครวนกับบ่นถึงมันก็ไม่เหมือนกันบ่นถึงก็จะบ่นถึงในแง่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปถ้าคร่ำครวนก็ในแง่ว่าแหมทําไมถึงต้องเป็นเราทําไมไม่เป็นคนอื่นทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นเคยคร่ำครวญไหม เออนั่นน่นแนะทำไมเออนั่นแหะนั่นแหะนี่เขาเรียกคล้ำครวนบ่นถึงมันก็จะไม่เหมือนอย่างนี้บ่นถึงมันก็จะอีกแบบหนึ่งเธออย่างอันนดีนะเนี่ยนดีน่าเอาอะไรก็ว่าไปอันนั้นบ่นถึงไอ้คล้ำครวนมันก็จะเป็นอย่างทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นแหม่อะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เป็นพวกค่ําครวนเองก็มีฟังคนอื่นค่ําครวนมาก็ดีเยอะแยะแล้วนะคงจะรู้แล้วแหละ อุลตาลิงกั น, นติร่ำร้องตีอกชกตัวไปตีอกชกตัวเป็นคำคล้ายๆอุปมาหน่อยนะก็คงจะพอรู้แบบไทยๆสัมโมหังอาปัจติตย่อมเข้าถึงความหลงโดยรอบพวกโทสะหรือว่าพวกความทุกข์นี่มันทำให้เกิดความหลงได้ง่ายแล้วก็เกิดการต่อสู้ดิ้นรนได้ง่ายต่อสู้ดิ้นรนทำร้ายหาวิธีหาทางออก ดูสิวันๆเราเนี่ยนะถ้ามีความสุขยังไม่เป็นอะไรมากนะยังไม่ได้ทําอะไรมากก็หมกอยู่กับมันอย่างนั้นแหะถ้าทุกข์เป็นไงหาทางออกหาหมอดูหาอะไรมืดสนิทน่ยอะไรที่มืดมืดที่ทำๆกันอยู่เนีย่ยสัมโมหังอาปัจจตินี่มาจากทุกขเวทนาถูกต้องเอาสามีทิ้งบ้างเอ๊ะทำไงจะได้เขากลับคืนมาก็หาวิธี อะไรอ่ะทำอะไรที่มั่วๆทั้งหมดอ่ะสามโมหังอาปัจจิตเนี่ยส่วนใหญ่มาจากทุกขเวทนาถูกต้องเอานะเราก็ดูเอาไปแล้วกันนะอย่างนี้นะครับจนบางคนก็ขอพระพุทธเจ้าช่วยก็แล้วกันอะไรก็แล้วกันสวดมนเพื่อให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็หลงทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยเพราะถูกทุกขเวทนาถูกต้องเอาแล้วก็ เศร้าโศกลำบากคร่ำครวนร่รำร้องตีอกชกตัวถึงความหลงโดยรอบโดยทั่วตัสสะปฏิคานุสยอนุเสติปฏิคานุใสก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นความเคยชินของกิเลส ช, ชนิดที่รู้สึกมีการกระทบกระทั่งปฏิฆาปแปล ว, ว่ากระทบกระทั่งรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกถูกทิมแทงความเคยชินอย่างนี้ ก็จะยังอยู่กับเขานะเป็นไงถ้าไม่ได้ฝึกมันจะรู้สึกโดนทิ่มโดนแทงอยู่เรื่อยรู้สึกเจ็บปวดกับอะไรที่ทําให้เกิดเวทนาชนิดที่เป็นทุกข์คนอื่นว่าเรามาเพราะว่าเรามาแล้วเป็นผัสสะผัสสะแล้วทาให้เกิดเวทนาสเสวย อ, อารมณ์สมมุติเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ปั๊บมันก็จะทนยากแล้ว รู้สึกขัดเคืองใจไม่พอใจอย่างนี้ปฏิคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นย่อมยังอยู่กับบุคคลนั้นไปเรื่อยๆยังไม่สามารถละได้นะฉะนั้นพวกอนุสัยกิเลสนี่นะมันอยู่กับเวทนามันนอนแนบชิดอยู่กับพวกเวทนาพวกความรู้สึกต่างๆเป็นคล้ายๆเป็นแบบอัตโนมัติทีเดียวท่านลองสังเกตดูก็ได้ พอลมพัดมาเย็นๆชอบไหมเฮ้อสบายใจเนี่ยยินดีทีเดียวถ้าอึดอัดปั๊บก็รู้สึกไม่ชอบทันทีมันเป็นเหมือนอัตโนมัติทีเดียวเลยนีอันนี้ก็คือมันยังนอนอยู่คําว่านอนหมายถึงว่ามันยังละไม่ได้คล้ายๆกับมันชิดกันอยู่ทีเดียวแล้วมันปั๊บมาเลยแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่มันเป็นตัวตนนะมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแหละแต่คล้ายๆกับเราคล้ายๆอุปัมาคล้ายๆมันอยู่ข้างๆเลยเหาือนกันเถอะพอสุกปั๊บ มาเลยไอ้ตัวเนี้ยพอทุกปั๊บมาเลยไอ้ตัวเนี้ยทานองนี้นะทีนี้ต่อไปอีกเวทนานึงอนุขมาสุขายะเวทนายะผุดโถสมาโนบุคคลนั้นเมื่อถูกอทุขมาสุขะเวทนาถูกต้องเอาแล้วเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รู้ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกขด์ดีวนเวียนวนเวียนไป ตัดสาเวทนายะสมุตยันจะอัดถังขมันจะอัดสาดันจะอดีนวันจะนิสรณันจะยะถาภูตังนับปัช า, าติก็ย่อมไม่รู้ความเกิดความดับไม่รู้อัดสาทะอาทีนวะและนิสระณะของเวทนานั้นตามความเป็นจริงเวลาเฉยๆแล้วเราทำอะไรไหมเฉยๆก็เฉยๆไม่ทำอะไร งงๆก็เฉยๆไม่รู้จะทํำยังไงมันวนเวียนวนเวียนตกลงจะสุขหรือว่าจะทุกข์ดีหรือว่ากําลังจะเป็นบ้าแล้วไม่รู้ไม่รู้ไอ้หนุยน่ยเหน๋อวิชานุสยัยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมทีเดียวมันก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงกับมันดีเหมือนเดิมเพราะมันไม่เห็นความเกิดความดับไม่เห็นอส า, าธาอาทีนวะและนิสระนะจากนั้นเวลาเราเฉยๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าอะไรมันเกิดดับเราก็จะนิ่งอย่างเดียว อันนี้อวิชานุสัยก็ยังอยู่พวกทําสมาธิเยอะๆก็คิดว่าดีแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะแล้วโน่นก็ไปเป็นพรหมอวิชานุสัยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวสักหน่อยกิเลสอื่นก็มาใหม่เพราะว่าอาวิชานุสัยเขาเป็นหัวหน้าชาวบ้านเดี๋ยวก็ราคะโทสะก็มาใหม่อีกแล้ววนเวียนไปเพราะเวลาเฉยๆแล้วนะไม่ยอมทําอะไรเวลาเฉยๆแล้วก็ไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความดับ ไม่เห็นอัศสาทาอาทินวานิสระณะก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะอันนี้ชั้าเวลาเราทั่วไปนี้นะลักษณะของอนุสัยหรือว่ากิเลส ท, ที่คอยแทรกขึ้นมาเป็นเหมือนอัตโนมัติเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ก็คือว่าถ้ากระทบกับความรู้สึกสบาเนี่ยราคะจะเกิดความพอใจจะเกิดให้หัดสังเกตเอาให้ถ้ากระทบกับอารมณ์ชนิดที่ไม่น่าพอใจ ทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วปฏิฆะมันจะเกิดงุดหงิดจะรู้สึกงุดหงิดจะรู้สึกขัดเคืองจะรู้สึกว่าโดนทิมแทงอยู่ถ้าเฉยๆขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเหมือนไม่รู้อะไรไม่เห็นเกิดเห็นดับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรคือโง่ๆไปอวิชานุสัยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมนะถ้าลองสังเกตจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัดสะอวิชานุสโยอนุเสติอวิชานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล น, นั้นความเคยชินชนิดที่ไม่รู้อริยสัจไม่เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ไม่เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่ตัวตนเกิดดับก็ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆโสวตภิกเวสุขายะเวตนายะราคานุสยังอัปปหายะ ดูก่อนภิสษุทั้งหลายบุคคลนั้นแลยังละราคานุสัยในสุขเวทนาไม่ได้ดุขายะเวทนายะปฏิคานุสยังอปปิวิโนเดตวายังบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้อันดุขมะสุขายะเวทนายะอวิชานุสยังอะสมูหนิตตวายังถอนอวิชานุสัย ที่เกิดเพราะอาทุกขมสุขเวทนาไม่ได้อวิชชังอัปปหายะยังไม่ได้ละอวิชชาวิชชังอนุปปาเดตวายังไม่ยังยั ง, ยงไม่ทำให้วิชาเกิดขึ้นดิเถวธรรมเม่ดุ ข, ขัดสันตาการโภวิสติจักเป็นผู้ที่กระทำที่สุดแห่งทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในชาติปัจจุบัน ดังนี้เนตังฐานังวิชิติฐานะนี้ย่อมไม่สามารถจะมีได้ไม่สามารถจะเป็นไปได้นะเห็นไหมคนที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องตรงข้ามกับอันนี้นะตอนนี้กําลังพูดถึงคนที่ทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างสุขเวทนาถูกต้องแล้วเป็นไงบ้าง เพลิดเพลินบนถึงติดอยู่อันนี้ก็ไม่บา ย, บาย <c oughs> การกระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะเป็นได้ท่านอย่าหวังเพ้อฝันอะไรลมๆแรงๆเลยท่านเนียเป็นไปไม่ได้นะทุ ก, กเวทนาถูกต้องแล้วเป็นไงบ้างคร่ําครวญเศร้าโศกลําบากรบนถึงตีอกชกตัวตั้งคําถามกับมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง ทำที่สุดแห่งทุกข์อะไรเรามันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เฉยๆแล้วเป็นไงเห็นเกิดดับอะไรัหมไม่เห็นอะไรเลยเงียบสนิทอันนี้ก็บายบายแล้วไม่มีอะไรนะอย่างนี้เห็นไหมเห็นเห็นกันถ้าเรายังยินดียังยินร้ายต่อสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากยังไม่รู้เกิดไม่รู้ดับไม่เห็นความเกิดความดับไม่เห็นอัาธาอาทีนวนิสรณะนี่นะเราไม่ต้องพูดถึง การกระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ไม่ต้องไปเชื่อใครก็ได้แหมอย่างนั้นอย่างนี้โอนเบียนเราเห็นเห็นกันเลยใช่ไหมสังเกตได้เพราะว่าเราก็สเสวยความรู้สึกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะสุขแล้วเป็นไงบ้างยินดีไหมบ่นถึงไหมติดอยู่ไหมถ้าติดอยู่ก็ราคานุสัยมันก็ยังเกิดเคยชินอยู่เรื่อย ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเป็นไงกันบ้างเศร้าโศกลําบากคร่ําครวนร้องตีอกชกตัวหรือว่าลุ่มหลงไปไหมหลงโดยทั่วหาวิธีแก่นู้นแก้นี่จะสู้มันอย่างนั้นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปฏิคานุสัยก็ยังอยู่ยังเคยชินสําหรับบุคคลนั้นพออาจทุกขมสุขเวทนาไม่รู้ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์ดีอาจจะสงสัยงุนงงหรือว่าเฉยเฉยก็ไม่เห็น ความเกิดความดับไม่เห็นอัศทะนิสระณะไม่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้อวิชชานุสัยก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการที่จะละอวิชา่ายังวิชัยให้เกิดขึ้นแล้วจกเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเราก็จะได้รู้ตัวเองตามความเป็นจริงเห็นหม ไม่ต้องหวังอะไรรวมๆแรงๆกันนะบอกกันตรงๆเลยถ้ายัางยินดียินร้ายบนถึงนั่นบนถึงนี่เป็นไงแหมลําบากแล้วนะอย่างนี้ยก็จะได้รู้กันตรง ๆ, ๆตรงไปตรงมาไม่ต้องมาหลอกลอกันว่าเนี่ยเธอเดินๆไปเธอเดี๋ยวจะบรรลุไม่ต้องอ่ะถ้ายัางยินดียังรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจไม่เห็นเกิดดับอะไรอย่างนี้นะก็ก็ไม่ได้อะไรก็คือไม่ได้อะไรก็เห็นเห็นกันเลย ทำนองนี้นะครับพระองค์จึงตรัสบอกว่าถ้ายัางไม่ละอวิชานี่นะทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้นะี่จากกระทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าเราไม่รู้ความจริงนะก็แสดงว่ายัางรอมรับความไม่จริงอยู่ใช่หมมันต้องรู้ความจริงต้องละอวิชาต้องทำวิชาให้เกิดต้องเห็นเกิดดบ ถ้าเราไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นความจริงของธรรมะก็แสดงว่าเรายังรับของไม่จริงอยู่เต็มไปหมดอย่างนี้จะบอกว่าตัวเองบรรลุนี่มันฟังขึ้นไหมฟังไม่ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องละอวิชชาละความไม่รู้แล้วยังวิชชาให้เกิดต้องเห็นให้มันถูกเพื่อละความเห็นผิดเนี่ยถ้าไม่เห็นถูกก็แสดงว่าเราก็รับเห็นผิดอยู่ทุกวันทุกวันองนั้นนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทำนองนี้นะครับ อันนี้พูดถึงทางตานะแม้ทางหูทางจมูทางลิ้นทางกายจนถึงทางใจก็ทำนองเดียวกันนี่แหละเหมือนกันหมดเพราะว่าเวลาที่รับรู้อารมณ์แล้วมันก็จะเป็นที่ตั้งของเวทนานะครับในย่อนหน้าสุดท้ายหน้าที่6กนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังโสตัญจะพิกเวปฏิจจะสัตเดจะอุปัชติโสตวิญญาณ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นอันนี้ก็ทางหูก็ทำนองเดียวกันนะเดี๋ยวก็เกิดเวทนาแล้วก็เพลิดเพลินบนถึงราคานุสัยก็อยู่เกิดทุกข์ขึ้นเศร้าโศกลำบากขําค ร, ครูนตีอกชกตัวถึงความลุ่มหลงปฏิคานุสัยก็ยังอยู่ ประสบกับอทุกขมสุขาเวทนาก็ไม่เห็นเกิดดับอันนี้ก็อวิชานุสัยก็ยังอยู่คานันจะพิกเวปฏิจจขคันเทจะอุปปัชติคานวิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคานะด้วยอาศัยกลิ่นทั้งหลายด้วยคานวิญญาณจึงเกิดขึ้นชิวหันจะพิกเวปฏิจจราเสจะอุปปัชติ ชิวหาวิญญาณังเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสทั้งหลายชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นกายันจะภิกขเวปฏิจจโพธเบจะอุปปัชติกายวิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยกายและโพธพะคือสัมผัสที่สัมผัสได้ทั้งผิวกายกายวิญญาณย่อมเกิดขึ้น มะนันจะพิกเวปฏิจะธรรมเมจะอุปัชติมโนวิญญาณังเพราะอาศัยใจและธรรมะคืออารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินังสังคติผัสโสเพราะการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการนั้นเป็นผัสสะผัสสะปัจญาอุปัชติเวนิตังเพราะผัสสะเป็นปัจัยการเสวยอารมณ์ จึงเกิดขึ้นนะพอปัสสะเป็นบัจใจนะมันก็มีความรู้สึกกับอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอารมณ์ก็มีอิทธิพลต่อจิตใจขึ้นมาคือสุ ข, ขังวาทุก ข, ขังวาอทุกขตะสุขขังวาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุก ข, ขมสุขบ้างโสสุขายะเวทนายะพุทธโธสมาโนบุคคลนั้น ถูกสุขเวทนาถูกต้องแล้วอภินันติย่อมเพลิดเพลินอภิวัติย่อมบ่นถึงอัจโชสายติดติย่อมหมกติดอยู่ตัดสรารานุส ย, ยอนุเสติราคานุัสก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นดุกขายะเวทนายะผุดโธสมาโนบุคคลนั้นถูกทุกขเวทนาถูกต้องเอาอยู่ โสจติย่อมเศร้าโศกิลมติย่อมลำบากปริเดวติคร่ำครวญอรุตตาลิงกันติย่อมร้องไห้ตีอกชกตัวสัมโมหังอาปัจฉติย่อมถึงความหลงโดยทั่วตัสสะปฏิคานุสยอนุเสติปฏิคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล น, นั้นอะุขมสุขายะเวทนายะพุดโธสมาโน บุคคลนั้นถูกอาทุกขมสุขเวทนาถูกต้องเอาอยู่ตัดสาเวทนายะสมุทยัญจะอัดถังคมันจะอัดสาดันจะอาดีนวันจะนิสรณันจะยะถาภูตังนับประชานาติย่อมไม่รู้ความเกิดความดับอัดสาทะอาธีนวะและนิสรณะของเวทนานั้นตามความเป็นจริง ตัสสะอวิชานุสยโยอนุเสติอวิชานุสยัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นโสวตภิกเวสุขายะเวทนายะราคานุสยังอัปปหายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นและยังละราคานุสัยในสุขเวทนาไม่ได้ลุกขายะเวทนายะปฏิคานุสยังอัปติวินโนเดตวา ยังบรรเทาปฏิคานุสัยที่เกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้อะทุกขมสุขายเวทนายะอวิชานุสัยยังอสัมูหณิตตวายังถอนอวิชานุสัยที่เกิดจากอทุกขมสุขาเวทนาไม่ได้อวิชังอปหายะยังไม่ละอวิชาวิชังอนุปาเดตะวา ยังไม่ทําวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นดิเถวธรรมเมตุก ข, ขัดสันตะกรโรภวิสติจกเป็นผู้ที่กระทําที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เนี่ยนะฐานะที่มีไม่ได้เพราะว่าเหตุมันไม่พร้อมเนะ่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุนะถ้าเหตุมันไม่พร้อม แหมจะทำที่สุดแห่งทุกมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างนี้นะต่อไปบาลีข้อ426ก็จะเป็นฐานะที่เป็นไปได้นะก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นั่นแหละนะครับในหน้าที่7อ่านพร้อมกันนะครับจักขุนจะโขภิกเวปติ จ, จะรูเปจะอุปัชชติ จักขุว an ิญญาณังตินังสังคติผัสโสผัสสะปัจจญาอุปปัชชติเวดยิตังสุข so ังวาทุขขังวาอะตุขมะสุขังวาโสสุขายะเวดนายะผุดโถสมาโนนาภินันตตินาภิวัตติ นาโชสายติทติตัดสารานุสยนานุเสติดุขายะเวทนายะพุโถสมาโนณโสจตินากิละมติปะปริเทวตินาอุรัตาลิงกันดตินาสัมโมหังอาปัชติ ตัดสะปฏิคานุสยนานุเสติอะดุขมะสุขายะเวทนายะผุดโธสมาโนตัดสาเวทนายะสมุตยันจะอจถังคมันจะอัจสาดันจะอดีนวันจะนิสรันจะยะถาภูตัง ปชาาติตัสสะอวิชานุสยโยนานุเสติสวัตตะพิกเวสุขายะเวทนายะราคานุสยังปหายะดุขายะเวทนายะปติคานุสยังปติวินเดตวาอะดุขมสุขายะ เวทนาญาอวิชานุสยังสมูหนิตตวาอวิชังปหายะวิชังอุปาเดตวาดิเทวธรรมเมดุขสันตกโรโภวิสติติฐานเมตังวิชติบาลีข้อสี่ร้อบก็ สรุปว่าฐานะมีตตงวิชติคือฐานะนี้ย่อมเป็นไปได้เหตุนี้ถ้าทําแบบนี้นะเป็นไปได้ส่วนจะเป็นตอนไหนไม่รู้แหละแต่เป็นไปได้นะแต่ว่าตอนบาลีข้อ425บอกว่าฐานะนี้ย่อมมีไม่ได้คือไม่มีทางบรรลุแล้วความหมายคืองั้นนะไม่มีทางที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วถ้ายังไม่ฝึกฝนตนเอง ให้ละอวิชาทำวิชาให้เกิดนี่มันไม่ได้อย่างนี้นะทีนี้บาลีข้อ426ก็ตรงกันข้ามก็คือฐานะนี้ย่อมมีได้ส่วนจะมีได้ตอนไหนสมบูรณ์พร้อมตอนไหนนีนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันมีได้มันเป็นได้นะเป็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นตอนไหนไม่รู้นะแต่มันเหตุมันเป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ก็หมายถึงมันถูกเหตุถูกปัจจัยแล้วก็สามารถที่จะทาให ถึงที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันด้วยนะวิเทวธรรมเมตุกขัดสันตาการโภวิสติจักเป็นผู้ที่กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันดังนี้ฐานะเมตังวิชิติฐานะนี้ย่อมมีได้นะกันแบบเห็นเห็นเลยนะเอาแบบเห็นเห็นเลยนะถ้าท่านฝึกฝนไปตามนี้นะก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้แต่เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากัน ในชาติปัจจุบันด้วยพระองค์ก็รับรองเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างบาลีข้อ426จากขุนจะโขพิกขเวปฏิจะรูปเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณังดูก่อนพิสษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินนังสังคติผัดโศ การประจวกกันเข้าของธรรมะสามประการนั้นเป็นผัสสะผัสสะปัจยาอุปัชติเวเดจิตังเพราะผัสสะเป็นปัจจัยการเสวยอารมณ์จึงเกิดขึ้นสุขขังวาทุก ข, ขังวาอทุธขมสุขขังวาคือเป็นสุขบ้างทุกบ้างอทุธขมะสุขบ้างก็เหมือนเดิมนะน่ะเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแลกระทบอารมณ์ก็เกิดผัสสะ เกิดเวทนาก็เรื่องธรรมดาเหมือนเดิมนี่แหละโสสุขายะเวทนายะผุดโถสมาโนบุคคลนั้นถูกสุขเวทนาถูกต้องเอาอยู่นาพินันติย่อมไม่เพลิดเพลินนาพิวตัติย่อมไม่บ่นถึงนาชโชสายะติดทติย่อมไม่หมกติดอยู่เนี่ยพอถูกสุขเวทนาถูกต้องเอาเนะรู้สึกสบายก็ ไม่เพลิดเพลินรู้สึกสบายก็สบายไปนะแต่ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่หมกติดอยู่ตัสสราคาโนยโยนานุเสติราคานุสัยก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นความเคยชินของกิเลสชนิดที่เป็นไปกับเวทนาเนี่ยนะที่แทรกมาอยู่เรื่อยๆก็อ่อนกําลังลงค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปนะ มันไม่นอนเนื่องหรือว่าไม่เพิ่มพูนไม่เคยชินมากขึ้นถ้าคนฝึกขัดนะความเคยชินของกิเลสมันก็ลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงถ้ากิเลสยังแรงอยู่จะตัดมันนี่ตัดไม่ขาดนะเพราะว่ามันมีแรงเยอะทีนี้ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยนะกิเลสมันกำลังอ่อนลงอ่อนลงมันน้อยลงเรื่อยมีโอกาสตัดมันขาดไหมตัดขาดได้นะอย่างนี้ก็เหมือนกับ ต้นไมใ้ใหญ่ๆนี่นะเรามีขวานอยู่อันหนึ่งฟันทีเดียวนี่มันไม่ขาดเหมือนกันนะต้องค่อยๆลอกนั่นลอกนี่อะไรออกไปนะถักถาๆมันไปอ้าวตอนนี้เหลือน้อยนิดเดียวแล้ยึดน้อยแล้วทีนี้ฟันทีเดียวเป็นไงชับก็ขาดไปได้นี่นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าคนที่ยังมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่มากการที่จะตัดทําลายกิเลนนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลมันตัวโตมันใหญ่ มันใหญ่เราฟันมันไม่ขาดนะจะปฏิบัติอะไรยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขายัางหลงยินดียินร้ายวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรกิเลสมันตัวใหญ่แต่ถ้าเอาละประสบกับสุขใช่ไหมมีความสุขถูกต้องเข้าก็ไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดอยู่ราคานุสัยมันก็ลดลงเห็นไหมกิเลสชนิดที่ติดยึดเอมันก็ลดลงก็มีโอกาสที่จะตัดมันขาดได้นะครับ ทุกขายะเวทนายะพุดโถสมาโนเขาถูกทุกขเวทนาถูกต้องเอาอยู่ณนะโสจติก็ไม่เศร้าโศกณนะกิลมติไม่ร้องไห้ปริเดวติไม่คร่ำครวญณนะอุตาลิงกันติย่อมไม่ร่ำร้องตีอกชกตัวณนะสัมโมหังอาปัจติย่อมไม่ถึงความลุ่มหลงโดยทั่ว ตัะปฏิคานุส ย, ยนานุเสติปฏิคานุใสก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล น, นั้ น, นเวลาประสบกับทุกขเวทนานะถูกทุกขเวทนาถูกต้องก็ไม่เศร้าโศกไม่รู้สึกร่ำร้องลําบากไม่ตีอกชกตัวไม่บน่นคร่าครวญอะไรไม่ถึงความรุ่มหลงปฏิคานุใสมันก็ลดหลงความเคยชินของกิเลส ช, ชนิดที่ จะเกิดความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็ลดลงลดลงไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อมันน้อยลงก็มีโอกาสที่จะตัดทำลายมันขาดได้นะครับอรูธกามสุขายะเวทนายะพุดโถสมาโนเขาถูกอนทธกามสุขเวทนาถูกต้องเอาอยู่ตัดสัตตสาเวทนายะสมุทยันจะอัดถังขึมันจะ อาดีนวันจะนิสรณนันจะยะถาภูตังปัจชานาติย่อมรู้ความเกิดความดับอัาฐะอาทีนวะและนิสรณะของเวทนานั้นตามความเป็นจริงตัดสะอวิชานุสยนานุเสติอวิชานุสัยก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล น, นั้นนะความเคยชินชนิดที่ เป็นความไม่รู้ความหลงก็หมดไปเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นและดับไปเห็นว่ามันมีข้อดีอย่างนี้เห็นว่ามีข้อเสียอย่างนี้มีความแปรปรวนอย่างนี้เห็นว่าวิธีที่จะหลุดพ้นออกจากมันได้ต้องวิธีนี้วิธีนี้เห็นไหมเป็นคนมีความรู้เนื้อรู้ตัวในการมองมันอยู่นะเป็นของเกิดดับเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นไงอวิชานุสัยมันก็ไม่นอนอยู่กับคนนี้ มันก็ค่อยๆถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยแต่ถ้าเราปล่อยปลยไปปไยๆไปไปไงเฉยๆไปไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับอวิชชามันก็นอนอยู่เรื่อยอย่างนั้นอ่ะมันก็เคยชินอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับโสวตาพิกเวสุขายเวตนายะราคานุสยังปหายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล น, นั้นแหละละราคานุสใสที่เกิดจากสุขเวทนาได้ ลุคายะเวทนายะปฏิคานุสยังปฏิวิโนเดตวาบันเทวปฏิคานุสัยที่เกิดจากทุกขเวทนาได้อดุขมสุขายะเวทนายะอวิชานุสยังสมูหนิตตวาถอนอวิชานุสัยที่เกิดจากอทุขขมาสุขเวทนาได้อวิชังปหายะละอวิชาวิชังอุ ป, ปาเดตวายังวิชชาให้เกิด ดิเทวาธรรมเมดุขัดสันตกะโรภวิสติจกเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันดังนี้ฐานะมีตังวิชติตฐานะนี้ย่อมมีได้น่ะอันนี้ถ้าพูดแบบสรุป ก, ก็ละอวิชายังวิชาให้เกิดอย่างนี้นะละไปความไม่รู้นี่ต้องละไปต้องรู้ไปเรื่อยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่ามันก็ไม่รู้ไปเรื่อยใช่ ก็จกเป็นผู้ที่กระทําที่สุดแห่งทุก์ในชาติปัจจุบันได้ส่วนจะทําได้ตอนไหนนั้นไม่รู้แหละแต่อันนี้มันเป็นเหตุหรือว่าเป็นฐานะที่มีได้เป็นไปได้ถ้าทําด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งวิธีการฝึกฝนที่เราฝึกฝนกันทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ทําอย่างนี้ได้นะเพื่อให้เวลาสุขเวทนาถูกต้องเข้าแล้ว ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไม่บ่นถึงทุกขเวทนาถูกต้องเขาแล้วก็ไม่คลำครวญตีอกชกตัวไม่เศร้าโศกไม่รู้สึกลำบากหงุดหงิดอะไรแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งต่างๆเวทนาชนิดที่ธรรมดาธรรมดากลางๆงหรืออะไรต่างๆก็ให้เห็นเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนี้ก็เพื่ออย่างนี้เท่านั้นถ้าทาได้อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะ ละทำที่สุดแห่งทุกได้นะครับทางทวารนูรินก็ทำนองเดียวกันนะอันนี้ก็มีทั้งฐานะที่เป็นไปไม่ได้กับฐานะที่เป็นไปได้นะเอาละก็วันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน